หรือเหมือนกับว่านะญาติญาติาของเราบางคนเนี่ยนะสมมติว่าทําคดีผิดหนักหนาสาหัสมากเป็นนักโทษอะไรนะประหารชีวิตหรือเป็นนักโทษประเภทขังเดี่ยวตลอดชีวิตอย่างเงี้ยนะห้ามเยี่ยมห้ามประกันโดยประกันทั้งปวงเลยนะญาติอยู่ที่บ้านก็มาจุดทูบอ้อนวอนสาธนะุจุดทูบอยู่ที่บ้านเลยนะขอให้เขาพ้นจากเรือนจําขอให้เขาพ้นจากการประหารนะ หยุดทูบอ้อนวอนอยู่อย่างนี้เชา้ชาคําเชา้าคําเป็นไปได้ไหมพ้นจากการประหารหรือว่าจะได้รับการปลดปล่อยเร็วขึ้นไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่ได้เกี่ยวกักบการสวดการอ้อนวอนอันนั้นเลยเพราะอะไรเพราะมันเรื่องของคดีอันนั้นนะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับการสว ด, ดการอ้อนวอนอะไรหรอกผู้ที่ทําบาปในลักษณะนั้นก็เหมือนกันแต่สมัยนี้เขาทําพิธีทําพิธีกันใหญ่โตเนนะี่ยที่ที่รู้จักนี่ก็ หลายแห่งทํำพิธีหมดหลายหมื่นบางทีก็หลายแสนเป็นต้นก็อันนี้คือความไม่รู้ความเข้าใจผิดก็จะไม่รู้อะไรควรทําเพราะฉะนั้นก็ถูกพวกค้าสวรรค์เอาไปกินหมดนะนะพวกค้าขายสวรรค์ทั้งหลายก็ร่ํารวยเอาร่ารวยเอาพวกค้าสวรรค์นี่อย่าตายกันแล้วกันาตายแล้วอาจจะลําบากอีกนะเพราะว่าพวกค้าสวรรค์ด้วยกันไม่รู้ว่าจะมาสวดให้หรือเปล่าไม่ทราบนะนะ น่าคิดนะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจผิดมากรักพ่อรักแม่พยายามที่จะเรียกว่าเขาโฆษณาว่าซื้อสวรรค์ให้พ่อแม่ได้ที่ไหนบล้ายคนก็พยายามแห่แหนเข้าไปทำ น, นะซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ น, นะก็ไม่รู้อะไรเป็นทางแห่งสุขคติอะไรเป็นทางแห่งทุกคติก็พยายามนึกว่าอะไรนะนึกว่าแบบอะไนะบังหลวงได้นะเรียกว่า กรนะั้สงสวยเป็นต้นได้ไม่ได้รอกนั่นนะก็ไปเข้าใจผิดท่านถ้าไม่รู้กฎเกณฑ์ความเป็นไปในวัตตะทั้งหลายก็การจุติปฏิสนธิเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่เข้าใจให้ถูกต้องไม่ศึกษาให้ดีๆเนี่ยนะก็มันก็น่าเห็นใจนะในโลกนี้นะอะไรน่ากลัวที่สุดบอกทิฏฐิน่ากลัวที่สุดผู้ไม่มีกรรมมัสกาสัมมาทิฏฐิก็น่าสงสาร ผู้ไม่มีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิก็น่าเห็นใจผู้ไม่มีมัคสัมมาทิฏฐิผลสัมมาทิฏฐิพวกเหล่านี้ก็น่ากรุณามากสำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าจริงๆ น, นะมันถ้าหากว่าไม่พยายามเอาเรื่องธรรมสักตาสัมมาทิฏฐิมาคิดมาไคร่ครนให้ดีๆนะอันนั้นลำบากจริงๆ พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะเราควรจะเข้าใจถึงกรรมวิพังที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในมหากรรมวิพังกสูตนะสมมติว่ า, าบุคคลทากุศลคือคำว่ากุศลหมายถึงกุศลและกรรมบทกับอกุศลและกรรมบทเนี่ยพบต่อไปควรเป็นอย่างไรอันนี้ชาตินี้นะชาตินี้โดยมากเขาทากุศลพบใหม่ควรเป็นยังไงอ่นะ ก็ดูที่ชาวนาก่อนตายชาวนาก่อนตายเป็นยังไงจิงอยู่ชาตินี้ทากุศลไว้มากถ้ามิชฉาทิฏฐิเกิดก่อนตายอาบายถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดก่อนตายก็สุขติเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิก็เช่นตเตริญพุทธคุณเป็นต้นก่อนตายเนี่ยนะเช่นนายพรานทั้งหลายเนี่ยเขา ได้ผู้แนะนําเขาเจริญพุทธคุณเขามีศรัทธาสั ม, มาธิฏฐิเขาก็ไปสู่สุคติได้พวกที่ทําอกุศลกรรมบทตลอดชีวิตก็เหมือนกันนะก็ดูที่ชวนะก่อนตายเป็นประมาณว่าจะไปที่ไหนติหรือทุกคติดูที่ชาวนะก่อนตายเพราะอย่างในอ阿 า, า, าตะเสนาบดีเนี่ยนะเขาเป็นกุศลก่อนตายชาตินั้นเขาเป็น โกูลคนฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่เป็นต้นเนี่ยตลอดชีวิตตายแล้วก็ชาติหลังมาก็ก่อนตายเนี่ยสัมมาทิฏฐิเกิดบุญที่เขาเคยบูชาพระเจดีมาให้ชาติหลังก็บัพปเกิดในสุขติแล้วก็เป็นเสนาบดีเพราะนพพวกเกี่ยวกับเรื่องกรรมเนี่ยนะตัวที่วัดที่เด่นเด่นสคัญจริงๆก็คือชวนาจิตก่อนตายเนี่ยนะ ถ, ถ้าตรงเนี้ยเป็ น, เ ป, นเป็นกติกาที่แน่นอน เว้นไว้แต่ว่าอากุศลถึงถึงกรรมมาบดโดยเฉพาะถึงกับอนันตริยกรรมฆ่าสัตว์ถึงกับอนันตริยกรรมลักทรัพย์ที่ประเภทแบบลักของสงเป็นต้นบบนะที่มันหนักหนักจริงๆอนะ่ะหรือไปทำแบบนันทะนะนายนันทะที่ไปทํากับอุบลวรนาเถารีเป็นต้นนะถ้าถ้ากลุ่มเหล่านั้นจริงๆก็อันนั้นแน่นอนละแต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาปกติทั่วๆไปเนี่ย ก่อนจะตายเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเพราะในก่อนจะตายเนี่ยถ้าเป็นอกุศลนะใครอ้อนวอนอยังไงก็ไม่พ้นออกไม่ได้หรอกนะอ้อนวอนอยังไงแต่เป็นไปได้บ้างก็คือถ้าไปเกิดเป็นเปรตอนะอุทิศส่วนบุญให้ก็อาจจะพ้นได้นนะคือไปเกิดที่นั่นแล้วก็อุทิศส่วนบุญก็อาจจะพ้นได้แต่ก็ต้องมีองค์สามนะครบองค์สามจึงจะอุทิศส่วนกุศลได้ถ้าไม่ครบองค์สามก็อุทิศส่วนกุศลไม่ได้ องสามก็คือหนึ่งทายกอุทิศสวนกุศลให้สองเปรตอนุโมทนาสาทักขนินายะบุคคลเนี่ยนะคือทักขนินายะบุคคลแปลว่าผู้ควรรับทักษิณาทานมีคุณสมบัติของผู้ควรรับทักษิณาทา น, นนะทีนี้ฝ่ายกุศลกรรมบทบ้างว่าดูก่อนนายบ้านท่านย่อมคิดเห็นข้อนั้นอย่างไรว่า บุตรในโลกนี้พึงเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตงดเว้นจากอาทินนาทานงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดสอ่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออัน น, นก็คือเจตนาศีลเจตสิกศีลเป็นอย่างดีนะไม่มีอาณาพิชไม่มีอภิชาไม่มีใจพยาบาทเป็น ส, สัมมาทิฏฐิเช่นกรรมมัสการตสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะ หมู่มหาชนมาชุมนมรวมกันแล้วเพึงองอ้นวอนพึงสรรเสริญพึงปนมือสการะบูชาบุรุษนั้นด้วยคําว่าบุรุษนี้จงเข้าถึงอาบายทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายไปเพราะกายแตกดูก่อนายบ้านท่านย่อมคิดเห็นข้อนั้นอย่างไรว่าบุรุษเนี้ยบุรุษนั้นอะพึงเข้าถึงอาบายทุกขติวินิบาตนรกหลังจากตายไปเพราะกายแตกนะคือโอแช่งได้ไหมว่าแช่งให้คนทําดีไปนรก แช่งให้พระโสะดาบันตกนรกเนี่ยใครแช่งได้บ้างไม่ได้เขามีสมัยพุทธกาลเนี่ยนะลูกศิษย์ของพระมหาโมคคลานะคนหนึ่งที่เป็นอุบาสกตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกเป็นพระอนาคามีด้วยเดยรัจฉีฝ่ายตรงกันข้ามเขาบอกว่าเขาพยากร์ว่าตกนรกบ้างกันแต่ว่าท่านเกาไปเกิดในพรหมโลกเรียบร้อยแล้วนะซึ่งพระอริยเนี่ยนะใครจะแช่งดาขนาดไหนท่านก็ย่อมไม่ไปสู่อบายอยู่นะ มันเป็นไปไม่ได้หรอกเปรียบเหมือนว่าดูก่อนนายบ้านบุรุษพึงทุบหม้อเนยใสยหรือหม้อ น, น้ำมันโยนลงไปในสระน้ําอันลึกก้อนกรวดและกระเบื้องมีปกติจมลงในสระน้ํานั้นส่วนเนยใสยและน้ำมันมีปกติลอยขึ้นโมมห า, าชนมาชุมนมรวมกันแล้วพึงค้อพึ่วนพึงสรรเสริญพึงปน ม, มือสการะบูชาเนยใสยและน้ำมันนั้นว่าแน่เนยใสยและน้ำมันจงจมลงแน่เนยใสยและน้ำมันจงดิ่งลงแน่เนยใสยและน้ำมั น, าน จมลงไปข้างล่างอ้อนวอนนะให้น้ํามันมันนะให้โฟมเนี่ยมันนะเหมือนสมัยนี้ก็โยนโฟมลงไปใช่ไหมขอให้โฟมจมน้ําขอให้โฟมจมน้ําเนะี่ยจะยอมจมตามไหมไม่จมดูก่อนนายบ้านท่านยอมคิดเห็นข้อนั้นอย่างไรว่าเนยใสและน้ํามันนั้นอ่ะพึงจมลงพึงดิ่งลงหรือพึงลงไปข้างล่าง เพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนเพราะเหตุแห่งการสรรเสริญหรือเพราะเหตุแห่งการประนมมือสักการะบูชาของหมู่มหาชนนั้นบ้างหรือในบ้านกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่พึงมีฉันใดถ้าผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายบ้านฉันนั้นเหมือนการบุรุษบุคคล น, นั้นผู้งดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอาทนาทานงดเว้นจาก การเมสุมิชาจารย์งดเวนจากมูสาวาปิสุนาวาจาพุสวาะสัมภัปลาปะนะเวไม่มีอนพิชาไม่มีอภิชาไม่มีพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิหมูมหาชนมาชุมนุมรวมกันแล้วพึงอ้อนวอนพึงสรรเสริญพึงปนมือสักระบูชาบุุษนั้นด้วยคำว่าอันที่จริงก็แช่งนั่นแหละมาแช่งว่าจงตายเข้าถึงอาบายสุกติวินิบาตนรกหลังจากตายกายแตกไปแม้ก็จริงถึงอย่างนั้น บุรุษนั้นเพิงเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมป้องกันไม่ให้ตกไปสู่อบายด้วยประการดังกล่าวมานี้เฉพาะบรรทัดสุดท้ายเนี่ยหมายถึงโยงมาจากหน้าห้เนี่ยนะหน้า57โยงมาว่าที่บอกว่าทาแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วใช่ห หรือว่าผู้มีศีลมีคติสองอย่างคือเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นกุศลกรรมบทสิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองรักษาดีเนี่ยไม่ให้บุคคลนั้นตกไปสู่อาบายเนี่ยนะมันก็หมั่นสมาทานวันนี้และลึกถึงกุศลกรรมบทกี่ครั้งไรแล้วนะนึกถึงทรัพย์สินของตัวเองมัางหรือเปล่าวันนี้นใช่ไหมถ้าเป็นโบราณเลยเนะพระเจ้าจักรพรรดิตื่นเช้ามาเนี่ยในเรือนคลังนะเสนาบดีคลังเนี่ย ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะมารายงานแล้พระองค์มีช้างเท่านั้นเชื่อพระเจ้าค่ะมีม้าเท่านี้เชื่อพระเจ้าค่ะมีทรัพย์เท่านั้นมีเพชรเท่านี้มีพลอยเท่านั้นรายงานทุกเชา้าทุกคาําว่าพระองค์มีทรัพย์สินเช่นนั้นเช่นนั้นเท่านั้นเท่านั้นสติก็เหมือนการเกิดขึ้นก็รายงานเลยว่าท่านกุศลกรรมบดข้อนี้นะเป็นทรัพย์สินของท่านท่านงดเว้นจากปานาธิบาท่ทานงดเว้นจากอาทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารเป็นต้น รายงานทรัพย์สินกุศลกรรมบทเป็นต้นเลยไหมรายงานว่าวันนี้วันอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะก็รายงานเลยนะถ้ามีสติ ก, ก็จะเริ่มรายงานว่าทรัพย์สินของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผู้การเสนาบดีมารายงานบ่อยไหมอย่างนีน้มีบ้างนะแสดงว่าพระราชาทรัพย์ยังไม่มากนะก็ใ ห, ให้สติเขารายงานบ่อยๆนะว่าท่านมีสธานะ ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีฮิริโอตปาท่านเป็นผู้มีสุตาท่านผู้มีศีลท่านผู้มีปัญญาเป็นต้นนะนะเขามารายงานว่านี้เป็นทรัพย์สินของท่านนี้สมถานนี้วิปสัสสนานี้สติปัฏฐานของท่านนี้สัมมาปัฏฐานของท่านนี้อิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงรายงานทรัพย์สินของเราบ่อยๆนะถ้า ส, สติไม่เกิดขึ้นไม่รายงานทรัพย์สินเหล่านี้นะโอ้โหไม่นานนะ่จะเป็นอานาถาเลยและนะนะ วันนี้เนี่ยเสียหายตรงไหนไปบ้างทรัพย์ของพระ อ, องค์ตรงนั้นถูกกล้นไปแล้วพระเจ้าข่าทรัพย์ของพระ อ, องค์ถูกนั้นเนี่ยนะไม่นานนั้นไฟน้ําจะท่วมแล้วพระเจ้าข่าตรงนั้นไฟจะไหม้แล้วพระเจ้าข่าแต่ยังี้ก็โหก็ดูนะว่าใครมีสติมากก็มารายงานทรัพย์สินเหล่านี้ได้มากนะทรัพย์สินคือกุศ ล, ลกรรมบดเป็นต้นพยายามละลึกถึงนะเตือนชาวมาละลึกถึงกุศลกรรมบท พระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะที่ได้จักแก้วช้างแก้วมา้าแก้วนางแก้วเป็นตน้นถามว่าได้มาอย่างไงคือพระเจ้าจักรพรรดิถ้าจะได้จักแก้วนะพระเจ้าจักรพรรดนั่งนึกถึงความดีของตนนั่งนึกความดีไปเรื่อยเช่นตัวเองเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีสัญญามะเป็นต้นเนี่ยนะนึกไปเรื่อยๆนึกถึงทามที่ได้ให้ไปศีลที่รักษาอุโบสถที่ได้เจริญเนี่ยนะแล้วจักแก้วจึงจะเกิดขึ้นนะ พอนึกอย่างเงี้พอได้จากแก้วหลังจากนั้นก็มานั่งนึกถึงศีลเป็นต้นอีกนั่นแหละช้างแก้วมาแก้วเป็นต้นก็จะค่อยๆเกิดโดยลําดับเพราะว่านึกถึงกุศลกุศลศีลกุศลทรัพย์ของตนของตนพัน้นพระพิสูจน์ที่ฟังปาจิโมกก็เข้าต้องนึกว่าเออเนี่ยเราเนี่ยบริสุทธิ์ข้อนี้แล้วเราบริสุทธิ์ขอกุศลเหล่านั้นแล้วเหล่านั้นแล้วเป็นตน้นมันก็ต้องมานั่งฝึกและลึกถึงอย่างนี้เนี่ยนะนี้เป็นทรัพย์สินของเราเป็นตน้น ถ้าไม่นึกอย่างนี้นะก็เป็นคนไม่มีรั์ให้นึกนะนึกตรงไหนก็หาไม่เจอถ้าอย่างนี้ก็กรุณาได้เลยถ้าไม่มีทรัเนี่หมายถึงมีอะไรถ้าไม่มีศรัทธาก็หมายถึงตนไม่มีอาสัทธิยะใช่ไหยเป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นมันก็เมื่อไม่มีศีลก็แสดงว่าเป็นคนทุศีลถ้าไม่มีโสตาก็แสดงว่าเป็นคนเอ่อถ้าถ้าไม่มีสุตาก็ไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะ ก็หลายขั้นเขาบอกว่าเห็นโทษของการไม่มีสุตตะมากเลยนะนะมีโยมคนหนึ่งเขาเป็นนักโคจรไปตามสำนักเนี่ยนะนะโคจรมาตั้งนุ่หนุ่มๆตอนนี้อายุมากแล้วโควจรไปเรื่อยราบเมาเที่ยวหาสนทนาเที่ยวเพื่อที่จะหาว่าอะไรเป็นคําสอนเนี่ยนะกนะ็าหาไปนะนะค่อนชีวิตแล้วแล้วก็มาเล่าถึงพวกพวกเนี่ยตายไปเกือบหมดแล้วเพราะงั้นถ้า ถ้าไม่เข้าใจในเรื่องทรัพย์สินถ้าไม่มีทรัพย์คือสุตตะเป็นต้นนะในศาสนานี้เราจะห่างไกลมากถ้าเขาจะตำหนิปุตุชนผู้เฝ้าวัดตะตพุทธพจน์นะปองตำหนิว่าอย่างไงปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นพระอริยผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยผู้ไม่มีวินัยของพระอริยผู้ไม่เห็นสัตว์บุุษผู้ไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุุษผู้ไม่มี วิัยของสัตว์บุรุษธิ์นี่คือคําด่าที่ถือว่ารุนแรงที่สุดในในพระพุทธศาสนานี้แต่ว่าคาําด่านี้เป็นที่มาของคันชื่นชมของคนยุคนี้เออมันวิปราชขนาดนั้นนะ น, นะใครที่ไม่ค่อยได้เรียนอะไรมากแล้วปฏิบัติเลยเนี่ยโอ้ยเขาชื่นชมกันเก่งมากโอ้เก่งจริงๆดีจริงๆเยี่ยมจริงๆรงะนนะเออในยุคนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วถ้าเทียบจะยุคก่อนนะสมัยพุทธกาลเนี่ยตำหนิมากเลยผู้ที่ไม่ได้ฟังเป็นต้นท่น ไ อ, ไอ้การตั้งอัธยาศัยแม้เพื่อจะฟังเนี่ยยังไม่มีในความคิดของเขาเลยหลายคนไม่มีใจตั้งความปรารถนาว่าชาตินี้จะต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้แม้แต่ความคิดแค่นี้เขาไม่มีเมื่อไหรจะเลิกศึกษาสักทีหนึ่งนะเขามีแต่ความคิดแนวนี้ยนะเขาจะไม่คิดว่าทํายังไงจะได้ศึกษาทํำยังไงจะได้อยู่กับคําสอนทํายังไงจิตจะเป็นไปกับธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มากมากขึ้นเป็นต้นไม่มี ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าบุคคลบุคคลที่ที่อยู่ใกล้ศาสนาพาคนอื่นออกนอกาศาสนาเนี่ยนะก็เป็นเหมือนกับว่ามีเจดีที่มีคนคนสมมติว่าเจดีที่ประเทศอินเดียนะถามว่าคนแขกโดยมากนับถือผู้าศาสนาไหมตอนนี้ไม่ค่อยนับถือถามว่าถ้าให้แขกชวนเราแขกจะชวนไปไหน ไปที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่เจดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะ่ะชั้นใดในยุคนี้ก็ลักษณะเดียวกันคนไม่ค่อยพาไปหาพระรัตนตรัยเลยอย่า น, นีไม่พาไปหาพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ยอมพาไปหาสวากขาโตพระควาตาธรรมโมสวดนี้สวดจริงกล่าวนี่กล่าวจริงว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วพูดแต่คํานี้พูดอยู่วันละหลายครั้งโดยซ้าไปแต่ว่าจริงหรือเปล่า ในอัธยาศัยจริงๆนะพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่เป็นอย่างนั้นเขาไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิตตั้งไว้เพื่อจะศึกษาคำสอนเลยอันนี้ประกาศถึงความผิดพลาดอย่างมหันเนี่ยนะว่าเขายอมเป็นปุตุชนที่ไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดธรรมะของพระอริยะยอมที่จะไม่มีวินัยของพระอริยะผู้ที่ไม่มีสุตะนะสุตตะถือว่าเป็นเบื้องต้นของทาน อย่างลงสู่ศาสนานี้สาวกแปลว่าผู้ฟังหรือเกิดในที่สุดแห่งการฟังเพราะในยุคนี้ต้องการบรรลุโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีการฟังนะไม่ขอเป็นสาวกเอาอนขนาดนั้นนะและก็เป็นยุคที่เรียกว่าหลายๆเรื่องวิบัติมากแล้วเขาใช้คาว่ากาละเริ่มวิบัติลงนะแต่ว่ายังดีว่าคติสมบัติอุปติอุปสมบัติแต่นานต่อไปครั้งหน้าต่อไป กาละวิบัติอุปธิก็เริ่มวิบัติหลายๆเรื่องก็เริ่มวิบัติลงไปวิบัติลงไปฝันคนที่ศึกษาพระธรรมคำสอนนี่ก็อนุโมทนาด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์จริงๆถ้าไม่มีสุตตะเลยนะขอให้ท่านไปอยู่ป่าเถอะท่านจะไปอยู่ป่าไหนอ๋อประเทศไทยเนี่ยไปไปอยู่ป่าตรงไหนเนี่ยป่าภาคไหนล่ะยีสานเหนือภาคตะวันตกหรือภาคใต้ล่ะ ท่านก็ไม่ได้อะไรนอกจากได้ดูต้นไม้นี่ดีไม่ดีก็ไปเฝ้าป่าเฝ้าเขาไปคอยดับไฟให้ให้ป่าให้เขาไม่ได้อะไรเลยจากศาสนานี้เอามาก็ไปมาหลายป่าแล้วเหมือนกันนะก็ถามมาได้อะไรก็ได้อากาศบริสุทธ <c oughs> ิ์นะก็ได้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่ามุ่งอย่างอื่นจนเลยเถิดทิ้งคําสอนจากที่ไหนไม่สําคัญหรอกแต่ที่สําคัญคือมีคําสอน หรือไม่เนี่ยนะสว่าขาโตพระวาตาธรรมโพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมองเห็นพระธรรมในที่ทุกขนทุกแห่งหรือไม่เห็นคุณพระรัตนตรายในที่ทุกแห่งหรือไม่ไมถ้าไม่มีล่ะก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิขอให้ให้จิตของเราเนี่ยให้ได้เป็นไปกับคำสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าคนที่ทิ้งคาสอนเนี่ยนะ ก็เป็นคนที่น่ากรุณาที่สุดผู้ที่ไม่เห็นภระรยะไม่ฉลาดในธรรมะของภระระยะเป็นต้นเนี่ยถามว่าอะไรตามมารู้ไหมสารพัดมิจฉาทิฐิทั้งหลายเนี่ยมาตอนแรกก่อนสักกายทิฐิก่อนใช่เห็นขันห้าโดยความเป็นตนหลังจากนั้นอะไรทิฏฐิหกตามมาถ้ามิจฉาทิฐิเกิดต่อด้วยมิจฉาสังคัขปะ มิจฉาทิฏฐิกัะสังกปะมากเท่าใดมิจฉาวาจาก็มากเท่านั้นมิจฉาตัมมันตะก็มากเท่านั้นมิจฉาอาชีวะก็มากเท่านั้นในที่สุดก็สั่งสมกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมให้ะนะก็ถ้าดูจากพระไตรปิฎกหลายสูตรเนี่ยนะชี้โทษของอะไรมากที่สุดรู้ไหมมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมีโทษจริงๆไม่มีอะไรที่จะมีโทษเท่ามิจฉาทิฏฐิแต่ทีนี้ถ้ามิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ อันนั้นสรุปว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งหมดมีเท่าไหร่อันนั้นหกสบสากสามสกายทิฐินับหนึ่งและทิฐิอีกหกสองอันนั่นเรียกว่ามิจฉาทิฐิแต่ที่หนักหนาสาหัสคือกลุ่มอุเฉททิฐิพวกอกิริยวาทอกิริยวาทาหรืออกิริยทิฐินาทิกาทิฐิอาเฮตุกะทิฐิเนี่ยพวกทิฐิอันนี้มีโทษร้ายแรงที่สุด ก็สรุปว่ามิจฉาทิถีเนี่ยมีอยู่63าประเภทแต่ก็ยังว่านะอันนี้แบบใหญ่ๆนะหลังจากนั้นมาทิถีอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งข้อปฏิบัติก็เกิดศีลพัตุปาทานศีลพัตุปาทานในโลกนี้วิจิตพิสดารไม่โอ้โหกว้างขวางจริงๆกว้างขวางจริงๆ น, นบางคนถือว่ากินผักไม้ใบหญ้าจะทำให้บริสุทธิ์แต่ไม่ได้เลิกฆ่าสัตว์อะไร น, นขอกินผัก แต่ไม่เลิกค่าสัตว์ก็ไม่เลิกค่าค่าค่าสัตว์เนี่ยนะก็แสดงว่าถือบางอย่างเคร่งเป็นบางอย่างเอาบางอย่างไม่เอาเป็นบางอย่างเป็นต้นนี้ทําให้เราเห็นว่าในยุคที่ทิฏฐินําหน้าเนี่ยนะเพราะว่าที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าใครเป็นศาสดาของเขาใครเป็นเจ้าลัทธิของเขาใครเป็นผู้บัญญัติทิฏฐิเหล่านั้นให้แก่เขาเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยนะของมาชอบมงคลที่สุดคาถาที่หนึ่งนี่แหละ ในคาถาอื่นๆไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ประทับใจเท่าคาถาแรกบอกคาถาแรกว่าไม่คบคนคานการคบบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชาในหัวใจของเราเนี่ยนะใครคือผู้ที่เราต้องบูชาเป็นที่สุดมารดับแรกนะก็พระพุทธเจ้าขอนะเอาแบบพระเจ้ามหานามมาเอาไว้นะถ้าพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้าพูดขัดกันข้าพระเจ้าจักเอาตามพระพุทธเจ้าถ้าพุทธบริษัทสีกับพระพุทธเจ้าพูดต่างกัน ถ้าพระ อ, องค์ก็จะขอเอาตามพระพุทธเจ้านี่แหละเพราะพระพุทธเจ้ามีสัพพันธ์อยู่ถ้าภาษาอินบทกับพระพุทธเจ้าพูดต่างกันก็ขอเอาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามีพระสัพพันธ์อยู่นั่นพระเจ้ามหานามะมีมีผู้ที่เขาควรแก่การบูชาที่สูงสุดจริงๆแต่ถ้าเราไม่ถือเอาอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เสียหายอย่างมากนะก็ภาษาทางเหนือยังชอบเลยตุเจ้าตาดีจูงศรัทธาตาบอดเหมืนั้น บอกว่าพระตาดีเนี่ยนะจะจูงพวกโยมคาระวะทั้งหลายที่ตามไม่ค่อยดีจะได้พาไปถูกทางแต่ตอนหลังอตุ๊เจ้าไปบอกคอยหอดแล้วว่ากั้นตุเจ้าไปไม่ถึงนะเดี๋ยวศรัทธาตาบอดจะพาตุเจ้าไปเองวง่ากันเอาละครับนี่หลวงพ่อทําอย่างงี้สิโยมจะได้ขึ้นมากๆว่ากันนะหลวงพ่อปั๊มเหรียญเลยพ่ออย่างเงี้เอาเลยนะเนี่ยศรัทธามานนั่มแนะนำและลำบากมากเลยตอนหลัง ถ้าไม่ศึกษาให้ดีๆเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกว่าเราประพฤติเป็นธรรมหรือไม่ใช่ธรรมเป็นธรรมเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้ทำไมจึงเป็นอธรรมก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ต้อ ง, ต, องต้องเป็นนักถามตัวเองให้มากๆไลนะแต่คนที่ถามแบบนี้เนี่ยนะถ้าไปเจอในบางแห่งเขาไม่ชอบรู้ไหมเขาบอกมันฟุ้งซ่านัานะใครที่เป็นนักถามนักซักนักไล่เลียงมากๆเนี่ยนะโอยเป็นที่คอมเนของพวกอย่างมากเลยนะี่ย ออกลับเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าถ้าเรียนตามเนติปรกรณ์เนี่ยบทช้าเนี่ยถือว่าเป็นบทที่สําคัญมากคําสอนนี้ก็เป็นสองบทเนี่ยนะไม่เป็นบทถามก็บทตอบมีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองในพระไตรปิฎกนะนแบ่งเป็นสองบทก็ได้บทที่เป็นคำถามกับบทที่เป็นคําตอบมีอยู่เท่านี้จริงๆนั่นนะถ้าทิ้งการถามสัอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นนะพระพุทธเจ้าชมภิกษุที่ถามเป็นโอ้เธอมีปัญญามากนั่นนะ เธอเธอเธอถามดีมากนะนะองคก็ชมมากเลยนะผู้ที่ถามเป็นเขาบอกว่าการถามปัญหาก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากการตอบก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากที่จริงก็ยากทั้งสองอย่างทั้งถามทั้งทั้งตอบนั่นเองนะเพราะบางคนถามแนละ้วมันไม่น่าตอบเอาเลยอะ่ะนะไม่รู้ถามไปทำไมก็ไม่รู้บางทีแล้ว <c oughs> สำคัญเราก็ตอบไม่ได้ด้วยถึงนะ